เนี่ยหลังได้ยินเสียงบนน้าหูว่าเดี๋ยวนี้อยู่ยากขึ้นมันก็น่าคิดน่าแปลกนะเพราะว่าชีวิตของผู้คนสมัยนี้เนี่ยสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนมากมากอย่างที่คิดไม่ถึงเลยนะว่าเราจะสะดวกสบายขนาดนี้ได้ อาจจะช่วยหรือไม่ว่าช่อยของเราทุกวันนี้เนี่ยสะดวกสบายยิ่งกว่าจาั ก, กรพรรดิหรือว่าพระราชาของประเทศต่างๆนะตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงเมื่อร้อยสองร้อยปีมานี้เองนะเคยไปวังนะของกษัตริย์ต่างๆเช่นเชนอันเหมือนนะเป็นพระราชวงต้องหางของจั ก, กรพรรดิจีน ไปที่เกี่ยวโตไปดูนะวังของจกักรพรรดิญี่ปุ่นรวมทั้งวังของโชกุนนะที่เมืองนิโ ก, แ ก, ก้แล้วก็โตเกียวแม้กระทั่งในยุโรปเนี่ยนะก็ได้ไปดูวังของกษัตริย์หลายองคนะ์เช่นของสเปนนะนะพระเจ้าฟิลิปที่สองนะซึ่งเป็นกษัตริย์ในยุคที่สเปนเนี่ย มีอำนาจมีอาณาเขตยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีอาณาจักรใดเทียบเท่าได้ก็เห็นว่าไม่ได้สะดวกสบายเมื่อเทียบกับคนสมัยนี้เลยนะห้องนอนก็ไม่ติดแอร์ไม่มีพัดลมนะไม่มีเครื่องทำความอุ่นหรือเครื่องทำน้ำร้อน อย่างบ้านของคนสมัยนี้ในเมืองอาหารนะก็ไม่ใช่ว่าจะมีกินมากมายน้ำตาลเอ่ยเครื่องเทศเอ่ยก็หา ย, ยากพวกเราคงไม่รู้นะสมัยก่อนน้ำตาลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะกินกันได้ง่ายๆรวมทั้งเครื่องเทศถ้าเป็นประเทศทางกีนะนญี่ปุ่นหรือยุโรปเนี่ยมันราคาแพงมาก ผลไมก้ก็ก็ต้องกินตามฤดูกาลนะไม่ใช่ว่าจะกินได้ตลอดทั้งปีอย่างบ้านเราเดี๋ยวนี้มะม่วงเอ่ยทุเรียนเอ่ยกินได้ทั้งปีหากินได้รวมทั้งของกินจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะเดี๋ยวนี้ก็หากินได้ง่ายนะในเมืองไทยขนาดถ้ามาฝ่ายหวานนี่ยังมีร้านขายพิซซ่าเลยนะมีที่ไหนสมัยก่อนนะ ในประเทศไกลๆ่เนี้ยเดีย๋ยวนี้เราจะเดินไปไหนนี่ก็สบายนะสมัยก่อนเนี่ยเป็นกษัตริย์เป็นพระราชาเป็นจกักรพรรดินีนะต้องนั่งมา้านั่งช้างนั่งเสลี่ยงหรือว่านั่งรถมา้ามันก็ไม่ได้สบายเลยนะขย o นะนั่งไปก็ขย o ไปไม่นิ่มนะเหมือนรถ สมัยนี้รถเมย์ของเรามันแยกยังไงก็ยังขับนั่งแล้นนิ่มกว่ารถม้าของพระราชาของกษัตริย์ทั้งหลายเยวนี้เราจะฟังเพลงดูหนังไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะก็เปิดคอมนะหรือใช้โทรศัพท์มือถือมีเพลงนับหมื่นนับแสนหรือนับล้านให้ฟัง หนังนี่ก็มีหลายช่องเรื่องความสะดวกสบายนี่มันเยอะมากนะพวกเราไม่รู้หรอกนะว่าเราสบายกว่าจากกักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่นะไม่ว่าของยุโรปของอินเดียของจีนของญี่ปุ่นอันนี้ไม่เราพูดถึงคนธรรมดาสา ม, มัญ น, นะสมัยก่อนเนี่ยก็ยิ่งมีชีวิตที่ลาบากเทียบไม่ได้กับของเราเลย ในสมัยนี้แต่ก็แปลงนะทั้งที่คนยุคนี้เนะี่ยมีความสดกสบายมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตของมนุษย์นะแต่ว่าความสุขใจนะก็ไม่ใช่ว่ามันจะเพิ่มไปตามระดับของความสะดวกสบายอาจจะทุกข์กว่าคนสมัยก่อนด้วยซ้ำนะอันนี้ดูจากอะไรนะก็ดูจาก สติคนที่เป็นโรคประสาทนะโรคเครียดนะอย่างบ๊อบนี่ก็โรคเครียดนะเป็นกันเยอะมากวิตกกังวโลโรคซึมเศร้าที่เครียดจนกระทั่งต้องกินยาระงับประสาทนี่ก็เยอะยาที่ขายดีในโลกทุกวันนี้เนี่ยนะมันก็คือยาที่เกี่ยวกับารลดความเครียดรวมทั้งยา น, นอนหลับด้วยนคนที่ค่าตัวตายก็เยอะมากนะ เยอะมากญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งมีเทคโนโลยีและมีระดับความเป็นอยู่ที่สูงนะคนตายปีนี้ก็ค่าตัวตายเนี่ยสองหมื่นกว่าคนนะของไทยนี่ก็ห้าพันคนทุกปีแล้วมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะทั้งที่ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคนก็กลับ ทุกมากขึ้นนี่เป็นเพราะอะไรนะเราคิดว่าเราทุกคนมาคิดว่าทุกเพราะมีเงินน้อยทุกเพราะชีวิตมันลําบากแต่จริงชีวิตมันก็สะดวกสบายกว่าแต่ก่อนแต่ทําไมเนี่ยคนถึงทุกมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆยวัตถุเงินทองความพังพร้อม นะความสงบสบายนี่มันไม่ได้ช่วยทําให้เรามีความสุขมากขึ้นเลยนะกลับจุดจิตของจิตจ้างเราให้ต่ําลงให้มีความทุกข์มากขึ้นมีความเครียดมากขึ้นนี่แปลว่าอะไรนะนั่นะแปลว่าคนเราทุกวันนี้เนี่ยที่ทุกข์มากๆเนี่ยก็เพราะเพราะความคิดนะคนสมัยเนี่ยทุกข์เพราะความคิ ด, คมนนคมคดไม่ใช่เพราะ ทุกเพราะความลำบากขาดแคลนจริงอยู่ในะสมัยนี้เนี่ยมันมีการแข่งขันเยอะกว่าแต่ก่อนแข่งขันกันนะขึ้นรถเมนะ์หาที่นั่งนะจะไปทำงานนี่ก็ต้องแข่งขันกันนะหาที่แย่งจริง ผิวถนนเพราะว่ามันกลายเป็นของหายยากรถเยอะต้องออกแต่เช้าหกโมงก็ต้องออกตีห้าบางทีก็ต้องออกออกจากบ้านแล้วแต่ถึงแม้ชีตนี้มันจะมีการแข่งขันเยอะก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องไปแข่งขันกับเขาด้วยนะคนที่บอกว่าทุกพ่อมันมีการแข่งขันกันมากขึ้นก็ต้องถามตัววาเนี้เราเราไปแข่งขันกับเขาทำไม แล้วที่เขาแข่งกันเนี้เขาวิ่งกันไปไหนนะเขาวิ่งไปสู่ความสุขความสงบเย็นหรือหรือไปสู่ความวุ่นวายคือแข่งกันกันโดยที่ไม่ได้ดูตามมาตาเรือเท่าไหร่เขาแข่งก็แข่งกันไปเราไม่จำเป็นต้องแข่งกับเขาก็ได้เพราะส่วนใหญ่ก็แข่งกันรวยนะแข่งกันรวยแข่งกันนะมีชื่อเสียงแข่งกัน นะเพื่อที่จะทำให้เรตติ้งสูงขึ้นแต่ถ้าว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีนะมันก็ไม่รู้สึกถึงความจำเป็นที่ต้องแข่งขันพอคนเรารู้สึกว่าเรามีนะเราเราพอแล้วมันก็ไม่มีความจะเป็นต้องแข่งขันอาจจะเป็นเพราะทุกวันนี้เนี่ยผู้คนรู้สึกพร่องรู้สึกว่าตัวเองขาด รู้สึกว่าตัวเองอยังไม่มีหรือยังมีไม่พออันนี้มันเป็นเรื่องของทัศนคติแล้วก็มุมมองนะหรือพูดง่ายๆพูดรวมๆก็คือเป็นเรื่องของความคิดเดี๋นี้เราคิดเรามองเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีไอ้สิ่งที่มีเ่ยเยอะแยะเป็นหมดนะกลับมองไม่เห็นอย่างเด็กเนี่ยนะมีสารพัดเลยนะของเล่นกีตาร์ มีไวโอลินมีเปียโนนะมีบางครอบครัวนะมีจักรยานนะมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กนะมีโทรศัพท์มือถือนะกินอิ่มนอนอุ่นมีพ่อที่ดีมีแม่ที่เอาใจใส่นะไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ก็ยังทุกข์เพียงเพราะว่าเขาไม่มี iPad นะมีทุกอย่างนะแต่ว่ามีของไป 99ชิ้นนะขาดอย่างเดียวคือ iPad เนี่ยก็เห็นแต่ว่าฉันเห็นแต่ว่าฉันไม่มี iPad ดนะคิดแต่ว่าฉันไม่มี iPad ถ้าเหลือหลังไปมองดูววเรามีอะไรอยู่บ้างโอ้เยอะแยะไปหมดนะอันนี้เป็นเรื่องของมุมมองนะคือมองไม่เป็นก็เห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีคนที่มองเป็นเนี่ยเขาจะเห็นแต่ เห็นว่าตัวเองไม่มีอะไรเยอะแยะไปหมดนะทั้งรอบตัวแล้วก็ที่อยู่กับตัวแต่ถ้ามองไม่เป็นเนี่ยมันก็เห็นแต่สิ่งที่ไม่มีเห็นแต่ความไม่สมหวังบางทีบางอย่างแม้ไม่สมหวังนะแต่ว่าไอ้ที่ได้เกินกว่าที่หวังเนี่ยอาจจะมีมากมายก็ได้แต่ว่า มองไม่เห็นหรือไม่ยอมมองพวกเราคงรู้จักซิโก้นะซิโก้เกิดจากเซน่าเมืองนต่ก่อนที่เขาจะเป็นโค้ทีมชาตินี่ก็เป็นนักฟุตบอลระดับซูปเปอร์สตาร์นะเป็นกระตันทีมชาติแล้วก็ตอนหลังก็ไปเล่นบอลอาชีพไปเล่นที่แถวเนี่ยเวียดนามนะสิงคโปร์ตอนหลังก็ มีคนชวนไปเล่นที่ประเทศอังกฤษเซ็นะ ส, สัญญากันเรียบร้อยเป็นข่าวใหญ่เมื่อ 14-15 ปีก่อนโอยคนไทยก็ตื่นเต้นกันมากนะจะได้เห็นซิกโก้นะักฟุตบอลไทยลงสนามในลีกที่มีชื่อมากที่สุดในโลกซิกโก้นี่ก็เป็นความฝันของเขามันกันนะได้เล่นบอล น, นะสโมสร อ, อังกฤษแต่ปรากฏว่า ไปถึงอังกฤษแล้วเนี่ยจนแล้วจนรอดก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ลงสนามได้แต่นั่งอยู่ข้างสนามฟุตบอลในท่าตัวสำรองก็ เ, เครียดมากนะทุกมากเลยทุกจนปวดหัวเลยนะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องกลับประเทศไทยรู้สึกว่าการไปอังกฤษครั้งนั้นเนี่ยล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงไม่อยากพูดถึงไม่อยากนึกถึงแต่ว่าไม่กี่ปีต่อมานะ พอมีคนสัมภาษณ์เขาเรื่องนี้เนี่ยเขาหัวเราะเลยนะเขายิ้มบอกมันไม่มีอะไรเลยนะเพียงแต่ผมมองไม่ออกมองไม่เห็นมองไม่ออกมองไม่เห็นอะไรเขาบอกไปอังกฤษครั้งนั้นมีแต่ได้กับได้ได้บ้านได้ภาษาได้รถยนต์ได้พัฒนาทักษะได้เห็นมุมมองใหม่ๆได้พบคนมากมายหลากหลายได้เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ได้สัมผัส เหล็กที่มีสีสั์มากที่สุดในโลกเสียงเดียวคือไม่ได้เล่นแต่ตอนตอนใหม่ๆเนี่ยเขาเห็นแต่ว่าเห็นแต่สิ่งที่เขาเสียไปหรือเห็นแต่สิ่งที่เขาไม่ได้มาก็คือการได้ลงสนามนะแล้วเขาก็เลยทุกข์นะเขาไม่รู้ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาได้อะไรอีกต้องมากมายหลายอย่างอย่างที่เขาพันธนามันก็แปเก้าอย่างก็เป็นละ แต่เขามองไม่เห็นนมองไม่เห็นจนกระทั่งผ่านไปหลายปีเขาก็กลับมาทบทวนกับพวกโอเข้าได้อะไรเยอะเยอะแยะไปหมดเข้าถึงยิ้มได้นถึงยิ้มได้โอ้เราได้อะไรเยอะแต่ก็เรียกว่าก็ทุกไปปิทุกฟรีฟรีไปหลายปีนะเพราะตอนนั้นเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่ได้เห็นแต่สิ่งที่ตัวเองเสียคือความไม่สมหวังนะไอ้ที่มันได้เกินกว่าที่หวังเนี่ยมองไม่ออกมองไม่เห็น คนเรานี่จะว่าไปแล้วเนี่ยมันจะสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่มุมมองนะแล้วก็รวมไปถึงความคิดด้วยนะถ้าคิดไม่เป็นมันก็ทุกข์นะอย่างเช่นมีเยอะแยะไปหมดแต่คิดแต่ว่าฉันยังไม่มีโน่นฉันยังไม่มีนีนะ่ซึ่งถ้ามองให้ดีเนะี่ยมันเป็นเรื่องการที่ใจเราเยังไม่อยู่กับปัจจุบันใจเราไปไปอยู่กับอนาคตนะเห็นว่าคนนั้นเขามี หรือว่าไปจดจ่ออยู่ที่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ไม่ถึงสักทีเป้าหมายใจที่จดจ่อยู่ที่เป้าหมายนี่เราไปอยู่กับอนาคตนะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันว่าเนี่ยเรามาไกลแค่ไหนแล้วเรามีอะไรต่ออะไรมากมายแค่ไหนแล้วอยู่กับปัจจุบันนะความหมายนก็คือว่าหันมาดูว่าเรามีอะไรนะแล้วก็หันมาชื่นชมสิ่งที่เรามีคนที่มองไม่เป็นนี่เจ็บก็ไปอยู่กับอดีตนะ นึกถึงแต่สิ่งที่ตัวเองเสียไปนะจะเป็นข้าวของจะเป็นเงินทองจะเป็นผู้คนนะที่เคยรักนะเคยผูกพันด้วยก็แล้วแต่เขาจากไปเขาสูญเสียไปก็ยังก็ยังคิดก็ยังเป็นทุกข์เพราะ น, นึกถึงแต่คนและสิ่งของที่เสียไปอันนี้เราอยู่กับอดีตไปอยู่กับปัณหาก็าคือไปนึกถึงแต่เป้าหมายว่าเนี่ย ใ่ต้องไปถึงเป้าหมายนี้ให้ได้แต่ไปไม่ถึงสักทีก็ทุกข์นะหรือบางทีก็ไปอยู่ไปจดจ่อยอยู่กับสิ่งที่คนหนึ่งเขามีแต่เรายังไม่มีนะก็ทุกข์นะอันนี้เรียกลวลวัาทุกข์เพราะความคิดนะและยิ่งอย่างเราสังเกตไหม ข, นนขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยสามสี่วันมาเนี่ยไอ้ช่วงไหนนะที่เรามีความทุกขนะ์เนี่ย ให้สังเกตดูมันไม่ใช่เป็นความทุกข์กายนะัเป็นความทุกข์ใจนะอาจจะเบือ่ออาจจะงดหงิดนะอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่ถูกไม่ถูกใจมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ไประลึกถึงความสุขที่เคยมีความสุขจากการได้กินอาหารที่อร่อยฟังเพลงเพราะความสุขจากการที่ได้อยู่กับเพื่อนฟูงพูดคุย เอาความสุข ก, การที่ได้เล่น f a c e b o o นะเล่นไลนะ์บางคนก็ติดมากนะหรือบางทีก็รอความสุขนะที่อยู่ข้างหน้านี่คิดถึงแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะเลิกสักทีนะเราจะได้นะไปเสพหาความสุขนะที่บ้านนะจะเป็นความสุขจากการกินการฟังเพลงการพูดคุยหรือว่าการได้เล่นนะสิ่งที่ ให้ความสนุกสนานกับเราให้ความเบื่อความเซ็งนะความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นในใจเราขณะที่เดินจงกรมสร้างจังหวะขณะที่ปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเพราะความคิดทั้งนั้นแหละนะเรื่องซึ่งความคิดที่ทำให้ทุกเนี่ยก็มักจะเป็นความคิดเกี่ยวกับอดีตบางอนาคตบางมันก็มีนะความทุกข์จักปัจจุบันนะเช่นอาจจะมีความปวดความเมื่อย อาจจะมีเสียงดังมังรบกวนลมทั้งความหนาวลมที่พัดนะทำให้สะทา น, นนั่นก็มีเหมือนกัน น, ะ น, นันก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากอารมณ์ปัจจุบันที่มากระทบแต่ว่าก็อย่างที่ได้พูดไปนะเมื่อเมื่ อ, เ ม, อเมื่อวานหรือเมื่อเช้าเนี่ยถ้าใจเราไม่ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ปรุง คิดแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะหายเมื่อไหร่มันจะไปเมื่อไหร่เสียงดังมันจะเงียบนะเมื่อไหร่ความหนาวมันจะหายไปไอความคิดอย่างนี้แหละนะที่มันทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจทุกข์เพราะว่ายิ่งคิดให้มันยิ่งคิดยิ่งอยากให้มันหายนะให้มันดับไปเนี่ยแล้วมันไม่ยอมดับไม่ยอมหายนะเราก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่แม้ว่าจะเป็นเสียงที่ไม่ได้ดังอะไร ไม่นะว่าจะเป็นความหนาวที่พอทนได้แต่พอใจมันไม่ยอมรับใจมันมันไม่ชอบใจมันผักสายแล้วเนี่ยนะความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาทันทีความทุกข์ยังเกิดจากความคิดหลายอย่างนะลองพิจารณาดูนะในการปฏิบัติเนการเดินจงกรมการสร้างจังหวดมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่หนักนาสาหัสอะไร แต่เพราะความคิดของเรานั่นแหละเนี่ยที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ทนได้ยากความคิดเนี่ยที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยจึงมันเป็นเรื่องธรรมดานะธรรมชาติของใจมันก็ชอบปรุงแต่งนะหลายแปรดีบ้างรอยแปอนาคตบ้างหรือว่าปรุงแต่งความคิดต่างๆขึ้นมาให้เราเคริมพร้อยหรือว่าทำให้เรารู้สึกอึดอัด ขัดเคืองกับสภาพที่เป็นอยู่กับสิ่งที่กาลังทําแต่เราก็ต้องหมันรู้ทันมันนะรู้ทันว่าถ้าเราไม่รู้ทันมันเราก็โดนมันเล่นงานความคิดเนี่ยนะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะแต่ส่วนใหญ่แล้วพอมีความคิดใดเกิดขึ้นเนี่ยเรามันก็จะเผลอทําตามความคิดและนั่นแหละคือปัญหาสมัยที่หลวงพ่อเขียนยังมีชีวิตอยู่เนี่ย แล้วก็ัยี่สิบสาสิปีที่ที่แล้วเนี่ยท่านเคยเล่าว่ามีมีโยมคนหนึ่งพาน้องชายมาบวชบวชแล้วนะั้นแล้วก็มาอยู่กับท่านนะหน้าตาของพระที่บวชใหม่เพราะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ไม่ค่อยสบยเท่าไหร่นะคือหน้าตาหมองนะแล้วก็ดูไม่มีความสุขท่านก็แนะนำให้ไปปฏิบัติ เดินตัวกรมสร้างจังหวัด น, นี้แหละพอผ่านไปแค่วันเดียวเขาก็มาขอมาหาหลวงพ่อเนี่ขอสึกเขาบอกว่าเนี่ยผมบวชเนี่ยไม่ได้มาบวชมาปฏิบัติผมไม่ได้มาบวชปฏิบัติผมบวชเพราะว่ารับปากพี่ชายไว้ตอนนี้ก็บวชแล้วจะขอสึกหลวงพ่อก็ไม่ให้สึกเ้าก็ไม่พอใจนะเขาก็เดินหลงพ่อไล่ให้ไปปฏิบัติเขาก็เดินต่อไป ไม่ถึงนะชั่วโมงสองชั่วโมงเขากลับมาอีกนะจะขอสึกอีกหลวงพ่อก็ไม่ยอมให้สึกแล้วก็แนะนำให้เข้าแปปฏิบัติก็ไปได้สักพักก็มาใหม่นะแล้วก็ยืนกลานจะขอสึกให้ได้นะคราวนี้หลวงพ่อก็เลยถามเขาว่าเนี่ยอะไรที่พาให้ท่านมาสึกอะไรทำอะไรพาให้ท่านมาหาผมเพื่อขอสึก เขนั่งคิดสัพักก็บอกความคิดครับหลวงพ่อก็เลยถามเขาว่าเนี่ยมันคิดแล้วต้องทําตามความคิดเหรือคนเราถ้าทําตามความคิดทุกอย่างไม่แย่หรือเสร็จ แ, แล้วท่านก็ไม่ยอมสึกให้เขาก็ไม่พอใจนะตอนนั้นก็เย็นละรุ่งเช้าเนี่ยเช้าตู่เลยเพเอก็เห็นหลวงพ่อเขาก็รีบเดินมาหาเลยแต่คนนี้ไม่ได้มาขอสึกนะมากราบหลวงพ่อแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อว่าเนี่ยถ้าหลวงพ่อ ศึกให้เขาเมื่อวานนี่ยเขาคงจะเป็นฆาตรกรไปแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยเนี่ยเขาคิดแต่แต่เรื่องว่าจะฆ่าคนสองคนก็คงจะเป็นแฟนกับนับชู้อะนะเขาคิดแต่ว่าจะหาปืนจากไหนแล้วฆ่าเสร็จแล้วจะเอาปืนไปซ่อนไว้ที่ไหนแล้วจะหนีไปที่ไหนแต่พอหลวงพ่อทักท้วงเขาเนี่ยทาให้เขาได้คิดนะหลวงพ่อทักเขาว่าแล้วคนเราถ้าทําตามความาคิดทุกอย่างไม่แย่เ นี่ถ้าก็าทำตามความคิดนี่ก็ชีวิตนี่ก็คงแย่แล้วอาจจะถูกจับแล้วก็ถูกควาคุกตลอดชีวิตหรือว่าถูกประหารเลยได้ซ้ําแต่ว่าการที่หลวงพ่อผู้ทําให้เขาได้คิดหรือว่าทำให้เขาเนี่ยได้รู้จักทักท้วงความคิดคนเราเนี่ยนาพาชีวิตเนี่ยสู่ความตกต่ําหรือว่าอย่างน้อยๆก็มีความทุกข์ใจก็เพราความคิดนี่แหละ แต่ที่จริงเนี่ยพูดได้ถูกนีไม่ได้ทุกเพราะความคิดนะทุกเพราะไม่รู้ทันความคิดนะเพราะความคิดเนี่ยนะที่ดีมันก็มีนะที่ไม่ดีมันก็มีและที่ไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาอ่าเป็นธรรมดาของมันแม้ก็ทั่งพวกเรานักปฏิบัติทำเนี่ยนะไอ้ความคิดที่ไม่ดีมันก็ผุดขึ้นมาอยู่นะบางทีก็คิดไม่ดีเรื่อง ที่เป็นความโลภความอิจฉาบางทีก็คิดไม่ดีเกี่ยวกับพ่อแม่บางทีก็คิดไม่ดีเกี่ยกั บ, บกค ร, บรูบาอาจารย์ไม่เป็นเรื่องธรรมดานะอย่าไปเสียอกเสียใจอยู่ที่ว่าเรารู้ทันความคิดหรือเปล่านะรู้ทันเมื่อไหร่มันก็ครองใจเราไม่ได้นะบางครั้งเราก็นึกอิจฉาคนที่เขามีมากกว่าเรานะรู้สึกอยากได้โนู่นอยากได้นี่นะเพราะรู้สึกว่าเรายังไม่มีน่นไม่มีนีนะ่แต่ถ้าเรารู้ทันนะ ใจมันก็กลับมาเป็นปกติได้พรนะานการรู้ทันก็ดีการทักท้วงความคิดเนี่ยมันสคัญมากและสิ่งที่จะช่วยให้เรารู้ทันความคิดและรู้จักทักท้วงความคิดคือสตินั่นแหละนะสตินี่มันทำให้เรารู้ทันความคิดแล้วก็ไม่ปล่อยใจให้ถูกความคิดครอบงนนาโดยเฉพความคิดที่เป็นอกุศลหรือว่าความคิดที่มันไม่เกื้อกูลนะ ซึ่งเราเรียกว่ามิจฉาสังกปะ น, ะนะความคิดที่ถูกครอบงำด้วยความโลภความพยาบาทหรือความมุ่งร้ายวิหิงสาหรือที่เรียกว่าอัยนิโสมัตติกการก็ได้คือการไม่มีโยนิโสมัตติกการคือไม่รู้จักคิดอถ้าเรารู้จักเท่าทันความคิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะหันเหความคิดให้มันเป็นความคิดที่ดีที่นามก็ได้ไอที่เคยคิดไปแต่เรื่องอดีตอานาคตก็ดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ถ้าเรามีสติดีเนี่ยก็สามารถจะทําได้แม้กระทั่งการวางความคิดนะไม่ใช่คิดเลเื่อยเปื่อยคิดแต่พุทธพือนนะถ้าคนเราเนี่ยบางทีก็ต้องรู้จักวางความคิดบ้างอย่างเช่นเรามาปฏิบัติตอนเนี้ยนะการปฏิบัติที่ให้ทําเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความคิดเลยนะแค่ให้รู้สึกตัวนะแค่ให้รู้กายเคลื่อนไหวก็ให้รู้นะใจคิดนึกก็ให้รู้ไอการรู้เนี่ยมันไม่ใช่รู้ด้วยการคิดนะ แต่มันรู้โดยการที่มีสตนะิพอมีความสึกตัวเนี่ยนะจิตมันก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันไม่ใช่เป็นเรื่องการที่คิดเอานะมันเป็นเรื่องการที่ให้มีความรู้เท่าทันความคิดแล้วเมื่อรู้เท่าทันความคิดแล้วเนี่ยมันก็จะวางความคิดได้นะจะคิดก็ต่อเมื่อตั้งใจคิดถึงเวลา ที่จะไม่ตั้งใจคิดก็วางมันลงได้ไม่ใช่ปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับนะอยู่กับลูกก็ยังคิดเรื่องงานนะนอนก็ยังคิดนะกินก็ยังคิดเนะี่ยเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้เป็นอย่างนี้กันมากคิดเก่งคิดไวแต่สุดท้ายเนี่ยห้ามความคิดไม่ได้หยุดความคิดไม่เป็น เสร็แล้วก็ลงเอยด้วยการเป็นทาตความคิดคือว่าปล่อยให้ความคิดมันลากไปนั่นมันพาเราให้เกิดความอยากมันพาเราให้เกิดความกลัวมันพาเราให้เกิดความความเครียดนะความคับแค้นนะแล้วพอคิดแล้วเนี่ยถ้าคิดไม่เป็นมันก็มีอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นตามมาคิดถึงคนที่ดา่าเราก็เกิดความโกรธคิดถึงของที่หายก็เกิดความอะไราอาวรความเสียใจ คิดถึงงานที่รออยู่ข้างหน้าก็เกิดความหนัก อ, อกหนักใจหรือเกิดความวิตกกังวลและพอไม่รู้ทันความคิดนั่นแหละนะความคิดมันก็เลยเอาปัญหาต่างๆมาสูมมากองในจิตใจนะฮะทำให้ไฟโทรสระเผารนจิตใจของเราทําให้จิตใจเราเนี่ยเหมือถูกมีดกรีดนะซ้ําแล้วซ้ําเล่าด้วยความเกลียดด้วยความพยาบาม ก็คงเห็นนะว่าความคิดนี่มันรบกวนจิตใจเราอย่างไรนะในระหว่างการปฏิบัติแต่นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะความฟุ้งซ่านให้เราหมั่นทำไปทำไปนะต่อไปเนี่ยนะความรู้ทันมันก็จะเกิดขึ้นนะความรู้มันก็จะมาแทนที่ความหลงใหม่ๆเนี่ยนะความหลงเนี่ยมันมากกว่าความรู้นะรู้นี่หมายถึงรู้ตัวนะไม่ใช่รู้ จากการอ่านหนังสือหรือจากการาคิดค้นเรื่อยเปื่อยใหม่ๆเนี่ยหลงมันมันจะมากกว่ารู้นะปฏิบัติเนี่ยยกมือสร้างจังหวะเนี่ยอาจจะหลงไปสัก 90% อาจจะรู้ตัวหรือรู้สึกตัวเนี่ยแค่ 10% เป็นธรรมดานะในใจเราเนี่ยมันมีการต่อสู้กันระหว่างหลงกับรู้ตลอดเวล า, าเช่นเดียวกับร่างกายของเราเนี่ร่างกายของเราเนี่ย มันก็อย่างที่เรารู้นะมันก็มีช่วงเวลาที่ต้องหลับแล้วช่วงเวลาที่ตื่นการที่เราหลับและตื่นได้เนี่ยมันก็เพราะมันมีสารอยู่สองตัวนะที่มันคอยแย่งชิงหรือว่ามามีที่ผลต่อร่างกายของเราสารตัวหนึ่งกระตุ้นให้ตื่นเนี่ยเรียว่าออกแร็กซิ น, นอีกตัวหนึ่งกระตุน้นหรือกล่อมกล้าให้หลับเนี่ยเรียกว่าอาะเดลซิน ชื่อมันจํำยาก้วก็เอาแค่ว่าเนี่ยมันมีสองตัวที่มันสู้กันตลอดเวลานะช่วงเช้าเนี่ยไอ้สารตื่นเนี่ยมันก็จะมีมากนะไอ้สารหลับเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะแต่มันมาน้อยแต่พอถึงประมาณสักเย็นๆเนี่ยนะสารตื่นมก็ค่อยลดลงนะสารหลับก็ค่อยขึ้นมาแล้วมันก็จะพีคสูงสุดก็ตอนห้าทุ่ม ตอนนั้นเนี่ยสารหลับเนี่ยมันมันแรงมากเลยมันเยอะมากเลยไอ้ส่วนสารตื่นเนี่ยมันก็น้อยลงแต่พอถึงเจ็ดมงเช้าเนี่ยนะสารหลับเนี่ยค่อยลดลงสารตื่นก็ค่อยเพิ่มขึ้นมันก็ชุกันไปชุกันมานี่นะในร่างกายเรานะตัวนึงก็กระตุ้นให้เราตื่นอีกตัวนึงก็กลอมให้เราหลับนะถ้าคนบางคนเนี่ยกลางวันก็ยังหลับเลยนะหรือง่วงเนี่ยเพราะว่า ไอสารตัวหลับเนี่ยมันมันแรงอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายนะที่ทำให้เรามีการหลับและการตื่นนะใจเราก็เหมือนกันนะมันก็มีการต่อสู้กันระหว่างตัวหลงกับตัวรู้แต่ว่ามันไม่ได้ว่าทำงานเป็นเวลาอย่างสารไอสองตัวที่ว่าแต่ว่าค่าเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาได้ในตัวรู้เนี่ย พัฒนาตัวรู้ให้มันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นระหว่างที่เราปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติการเจริญสติก็คือการเพิ่มนะตัวรู้ให้มากขึ้นและทําให้ตัวหลงค่อยๆลดลงลดลงแต่บางทีเราปฏิบัติปฏิบัติไปไอตัวหลงก็เข้ามาเล่นงานบางคนก็ยกมือแต่ไม่รู้ตัวนะยกมือยกมือไปนะบางทีก็หลงหลงเข้าไปในความคิดคือไม่รู้ตัวบางทีก็ง่วงนะ ไอ้ความ ง, ง่เนี่ยมันไม่ใช่โง่งเพราะว่าอาไอสารตัวหลับนี่มันมันมันเพิ่มมากขึ้นนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายนะมันเป็นเรื่องของใจนะที่เราโง่วงเพราะว่ามันไม่มีเรื่องคิดไม่มีเรื่องที่จะมากระตุ้นให้นะเราตื่นตัวนะไม่มีสิ่งที่มากระตุ้นจิตเราใจให้ตื่นนะเช่นถ้าอยู่ที่ที่บ้านเนี่ยมันก็จะมี มีคนมาพูดคุยมีงานมากระตุ้นให้ต้องใช้ความคิดหรือว่ามีข้อความนะข้อความจากโทรศัพท์มือถือนะบางทีข้อความจากไลน์กระตุ้นเราวันหนึ่งนี่เป็นร้อยข้อควา ม, เ ป, วามเป็นร้อยครั้งเลยคนเดี๋ยวนี้นี่นะมีข้อความเนี่ยส่งเข้ามาทางไลน์หรือว่าทาง facebook นี่เป็นร้อยร้อยข้อความเลยนะชุตแบบนี้มนทาให้จะเรียกว่าอะไร ไม่ค่อยหลับจิตหรือสมองถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ใช่ทําให้เกิดความรู้ตัวนะบางทีมันหลงเข้าไปในในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์เพราะสิ่งเราสิ่งกระตุ้นเหล่านี้แหละและพออยู่แบบนั้นแหละในชีวิตเราเนี่ยมันก็เลยถูกครอบงําด้วยความหลงมากความรู้หรื อ, อความรู้ตัวแต่ตัวหลงนี่ก็ฉลาดนะ แม้เรามาปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้สึกตัวให้มากขึ้นมันก็ยังหาทางมาหลอกมาล่อให้เราหลงจนได้เดินตรงกลมไปก็หลงไปตั้งจังหวะก็ลืมตัวไป เ, เวลากินข้าวนะั้มันก็เข้ามาแย่งตัวรู้ทําให้เราหลงแต่ว่าถ้ า, าไม่ทิ้งความเพียร น, นะ ไม่ทิงความเพียรพยายามที่จะรู้สึกตัวอยู่เสมอเวลาอยู่นิ่งๆอ่เวลาพักผ่อนก็อย่าอยู่นิ่งๆ น, นะคลึงนิ้วบ้างพลิกนิ้วพลิกมือไปพลิกมือมาบ้างแม้แต่เวลาเข้าห้องน้ำํำเราก็คลึ่งนิ้วไปเบาๆหรือเราจะลองตามลมหายใจเล่นๆก็ได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ตัวรู้เนี่ยนะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้น จนกระทั่งสามารถเอาชนะตัวหลงได้ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยหลง 90% รู้แค่แต่พอปฏิบัติไปเรื่อยๆรู้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 20% 30% 40% มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้มากกว่าหลงนะเผลอคิดไปปุ๊บเนี่ยรู้ทันทีปั๊บเลยเนะเผลอคิดรู้ปับ๊บเผลอคิดรู้ปั๊บเนี่ยอันนี้แสงว่าตัวรู้เนี่ยมันเริ่มมีมีชัยชนะละ แต่ว่ากว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องนะปลุกปั้มกันหน่อยนะบางคนก็ท้อนะบางคนท้อเพราะว่าทำํำตั้ไหลายมันก็ยังไม่ก้าวหน้าทําไมก็ยังหลงนะก็ยังลืมตัวอยู่หรือแม้ก็ถูกนิวร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความม่วงหรือว่าความฟุ้งซ่านความเคนะรียดนะรวมทั้งความ หลงเพลินในความสุขซึ่งทำให้รู้สึกอึดอัดขัดเคืองกับการที่ต้องมาปฏิบัติหรือว่านั่งอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ให้ก็ไม่ต้องวิตกนะว่าทาไมมันเกิดขึ้นขอเพียงแต่เรารู้เท่าทันมันก็พอนะนิวรมันจะเกิดขึ้นมากเพียงใดข้อสมคัญคือให้เรารู้ทันมันความคิดฟุ้งซ่านเกิดมากเป็นเกิดมากมากมายเพียงใดก็อย่าไปท้อนะเราไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้คิด แต่เราฝึกเพื่อที่จะให้รู้ทันความคิดได้ไวมันจะคิดกี่ครั้งก็รู้ทันมันได้ไวนะบางคนไม่เข้าใจว่าในปฏิบัติเราต้องไม่คิดปฏิบัติเราต้องจิตต้องสงบอันนั้นยังไม่ใช่จุดมุ่งหมายการเจริญสตินะเจริญสติคือว่าฝึกให้รู้ทันความคิดมันจะฟุ้งเท่าไหร่ก็รู้ทันโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธเนี่ยดีกว่าปื้มปิติดีใจแล้วก็หลงนะในความปิติดีใจนั้นนะ หุดหงิดนะรู้ทันว่าหุดหงิดนะก็ยังดีกว่านะดีใจแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าดีใจนะคนสมัยนี้เนี่ยมีมีมอารมณ์มอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ค่อยรู้ทันเท่าไหร่นะมันก็น่าแปลกเนี่ยบางคนนี่ไม่รู้เลยว่าตัวเองนี่กําลังรู้สึกอะไรอยู่ในขณะนี้บางคนกลัวนี่ไม่รู้ว่าตัวเองกลัวนะเขาเคยมีการอมีหมอคนหนึงก็ทดลองเนี่ย กขให้คนเนี่ยมาก็าต้องการดูปฏิกิริยาของร่างกายของคนเราโดยเฉพาะสมองเวลาเห็นภาพที่น่ากลัวน่าสยดสยองนะเขาอยากดูปฏิกิริยาของร่างกายเป็นอย่างไรแล้วก็มีคนหนึ่ง เ, เข้ามาเป็นอาสาสมัครก็เป็นเป็นนักวิชาการพอให้ดูภาพที่น่ากลัวหลายๆภาพเนี่ยหัวใจก็เต้นเร็ว นะความดันก็ขึ้นเลยสูงมากอจนผู้ทดลองเนี่ยต้องขอให้หยุดการทดลองเพราะว่าแ <c oughs> สดงว่าอาส า, าสมัครคนนี้กลัวมากแต่พอหยุดการทดลองเนี่ยอาส า, าสมัครคนนี้กลับถามว่าหยุดทําไมฉันสบายดนะีสบายดีอะไรนะร่างกายมันฟ้องว่าเขากลัวมากแต่เขาไม่รู้ว่าเขากลัวนะนี่ขนาดนี้เลยนะคนบางคนเนี่ย กลัวยังไม่รู้ว่ากลัวเลยตั้ง ท, ที่ร่างกายมันฟ้องนะเพราะและไรพ่อเขาไม่ค่อยได้มาดูใจของเขาเลยก็ใช้แต่ความคิดนะจนกระทั่งไม่รู้สึกจนกระทั่งแปลกแยกความรู้สึกของตัวเองกลัวยังไม่รู้ว่ากลัวนะซึ่งแน่นอนโกรธก็ไม่รู้ว่าโกรธแล้วคนเราพอไม่รู้จักไม่รู้ไม่รู้ตัวเองรู้สึกอย่างไรนะเวลาคบกับใครเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าคนค น, นี้เขารู้สึกยังไงผู้หญิงคนนี้ก็ผลก็ปรากฏว่า ไม่ค่อยมีคนชอบก็เท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะทาตามอารมณ์ทําตามใจตัว เ, เด่นนี่คนแบบนี้ก็มีเยอะนะไม่รู้พอไม่รู้ไม่รู้จักอารมณ์ของตัวแปดแยกกับอารมณ์ของตัวเนี่ยมันก็เลยนาไปสู่การแปรแย ก, กคนอื่นนะทําปฏิบัติตัวยังปฏิบัติตัวทําตัวให้คหนอื่นเขารอาอ้อยังไงก็ยังไม่รู้ตัว อันนี้แบบนี้ก็เป็นมากขึ้นเรื่อยๆบางคนทำงานเครียดนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะเป็นหมอเป็นหมอฝึกหัดไม่ได้หลับไม่ได้นอนสุดท้ายก็มีความเหนื่อยล้าแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองล้านะกับคิดว่าที่ตัวเองทุกเนี่ยเพราะว่าหิวก็เลยไปแก้ทุกโดยการไปหาของกิน กินกินกินกินกินนะทั้งที่ร่างกายมันบอกว่าฉันต้องการพักผ่อนแต่เขาคิดว่าที่เขาทุกเนี่ยเป็นเพราะว่ามันหิวเดี๋ยวนี้ย่าไม่ออกนะระหว่างความทุกข์เพราะล้าต้องการพักผ่อนหรือทุกข์เพราะว่าหิวต้องการหาของมาใส่ท้องเนี่ยคนยืนนี้ย่าไม่ออกนะรู้แต่ว่ามันทุกข์อ่ะนะแต่ย่าไม่ออกว่าเป็นความล้าหรือเป็นความหิว อันนี้ก็น่าน้าเห็นใจนะคนที่ใช้ความคิดมากจนกระทั่งไม่รู้สึกแปลกแยกกับความรู้สึกของตัวเองแอนพก็เลยปรากฏว่าเดี๋ยวนี้คนที่เครียดเนี่ยพราะทำงานมากหรือล้าเนี่ยกลับกินเยอะจนอ้วนนะยิ่งเครียดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอ้วนมากเท่านั้นอันนี้เป็นปัญหาของสังคมสมัยใหม่เพราะไม่รู้ว่าที่ที่ทุกเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเพราะหิวนะแต่ทุกเพราะ นอนไม่พอพักผ่อนไม่เพียงพอทางแก้ไม่ใช่กินนะแต่คือการพักผ่อนอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งถ้าไม่มีสติรู้ทันเนี่ยมันก็จะนะหลงทิศหลงทางมากขึ้นอันนี้ก็ถือเป็นตัวหลงแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเรารู้เนี่ยเราไม่เพียงแต่รู้เมื่อกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดดึงแต่ว่ารู้ด้วยว่าเวลาทุก์เนี่ยนะมันทุกเพราะเรื่องอะไรเนะี่ย มันเป็นความทุกประเภทไหนและเพราะเหตุนั้นแหละจึงสามารถที่จะจัดการกับมันได้อย่างถูกต้องเอาละคำเดียวพื่พเท่านี้กลับฮะ